จตตาลีสานิบาทหนึ่งมหากัสปะเทระคาถาภาสิตของพระมหากัสปะเทระพระมหากัสปะเทระได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าบุคคลไม่พึงมีหมู่คณะแวดล้อมเที่ยวไปเพราะเป็นเหตุทำใจให้ฟุ้งซ่านยากแก่การได้สมาธิการสงเคราะห์ชนต่างๆเป็นความลำบากบุคคลเห็นโทษด้วยประการฉนี้แล้ว ไม่พึงชอบใจการคลุกคลีด้วยโมูคณะมูนีไม่พึงเกี่ยวข้องตระกูลทั้งหลายเพราะเป็นเหตุทำใจให้ฟุ้งซ่านยากแก่การได้สมาธิผู้ขนขวายเกี่ยวข้องกับตระกูลนั้นย่อมติดในรถและทิ้งประโยชน์อันจะนำความสุขมาให้ด้วยว่านักปราดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวการไหวและการบูชาในตระกูลทั้งหลายว่าเป็นเปลือกตม เป็นลูกศรอนอันละเอียดซึ่งถอนขึ้นได้ยากเป็นสักกะระที่คนชั่วละได้ยากเราลงจากเสนาสนะแล้วได้เข้าไปบินตาบาดยังนครได้เข้าไปเยือนอยู่ใกล้ๆบุรุษโรคเรื้อนซึ่งกําลังบริโภคอาหารนั้นด้วยความเอื้อเฟือ้อบุรุษโรคเรื้อนนั้นใช้มือข้างที่หงีงอนําคําข้าวเข้ามาถวายเราและเมื่อเขาใส่คําข้าวลงนิ้วมือของเขาเน่าเฟะ ก็ขาดตกลงในบาทของเราเราได้อาศัยฝาเรือนชั้นคำข้าวนั้นอยู่ขณะฉันหรือฉันเสร็จแล้วเราไม่มีความรังเกยียจเลยภิกษุใดไม่ดูหมินบริโภคปัจจัยสีนี้คือ 1. อาหารบินทบาทที่จะต้องลุกขึ้นยืนรับ 2. บางสุกุลละจีวร 3. เซนาสนะคือโคนไม้ 4. ยาดองด้วยน้ำมูดเน่า ภิกษุนั่นแหละควรอยู่ในทิศทั้งสีได้ในปัจฉิมวัยภิกษุบางพวกเมื่อขึ้นภูเขาย่อมลำบากแต่กัสปะซึ่งเป็นทายาิของพระพุทธเจ้ามีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นแข็งแรงด้วยกำลังฤทธิ์ย่อมขึ้นได้สบายกัสปะซึ่งหมดอุปาทานและความหวาดกลัวภัยได้แล้วกลับจากบินทบาทแล้วได้ขึ้นภูเขาเข้าฌานอยู่ กสปะซึ่งหมดอุปทานเมื่อสัตว์ทั้งหลายถูกไฟไหม้อยู่ก็ดับไฟเสียได้กลับจากบิณทบาตแล้วได้ขึ้นภูเขาเข้าฌานอยู่กสปะซึ่งหมดอุปทานทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะกลับจากบินทบาตแล้วได้ขึ้นภูเขาเข้าฌานอยู่ภูมิภาเคเรียงรายไปด้วยแนวต้นกลุ่มน่ารื่นรมย์ใจกึกก้องด้วยเสียงช้างร้องน่ารื่นรมย์ ล้วนแล้วด้วยภูเขาย่อมทําเราให้ยินดีภูเขาเหล่านั้นมีสีเขียวดุจเมฆงดงามมีน้ําเย็นทรงความสะอาดไว้ดารดาษ ด, ด้วยมแมลงค่อมทองย่อมทําเราให้รื่นรมใจภูเขาเหล่านั้นเปรียบดังประสาทเขียวชะอุ่มสูงตรังงานเทียมเมฆเปึกด้วยเสียงช้างร้องน่ารื่นรมย่อมทําเราให้ยินดี ภูเขาเหล่านั้นที่ฝนตกรดใหม่ๆมีพื้นหน้ารื่นรมทั้งเหล่าฤาษีก็อาศัยอยู่เซ็งแซ่ด้วยเสียงนกยุงร้องย่อมทาเราให้รื่นรมใจสถานที่เช่นนั้นเหมาะแก่เราผู้มีใจเด็ดเดี่ยวมุ่งเข้าฌานเหมาะแก่เราผู้เป็นภิกษุมีใจเด็ดเดี่ยวมุ่งประโยชน์เหมาะแก่เราผู้เป็นภิกษุมีใจเด็ดเดี่ยวมุ่งความผาสุก เหมาะแก่เราผู้คงที่มีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงภูเขาเหล่านั้นมีสีเสมอด้วยดอกผักตบคล้ายกับว่าหมู่เมฆบนท้องฟ้าปกคลุมคลาคล่ำไปด้วยฝูงนกนานาชนิดย่อมทําเราให้รื่นรมใจภูเขาเหล่านั้นไม่มีหมู่คนพลุกพล่านมีแต่หมู่เนื้ออาศัยอยู่คลาคล่ำไปด้วยฝูงนกนานาชนิดย่อมทําเราให้รื่นรมใจ ภูเขาหินแันกว้างใหญ่ไพศาลมีน้ำไหลใสสะอาดมีฝูงข้างและฝูงเนื้อฟานคลาคล่ำดารดาไปด้วยน้ำและสาหรายย่อมทำเราให้รื่นรมยิ่งนักความยินดีด้วยดนตรีมีเครื่องห้าเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่เราผู้มีจิตตั้งมั่นพิจารณาเห็นธรรมโดยชอบภิกษุไม่ควรทำงานก่อสร้างให้มากพึงเว้นห่างหมู่ชน ไม่พึงขนไควเพื่อลาภผลภิกษุผู้ปฏิบัติเช่นนั้นเป็นผู้ขนไควในลาภผลและติดในรสอาหารย่อมละทิ้งประโยชน์ที่จะนำความสุขมาให้ภิกษุไม่พึงทํางานก่อสร้างให้มากพึงเว้นห่างงานก่อสร้างนั้นซึ่งไม่นำประโยชน์มาให้ตนเพราะกายจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าเธอซึ่งประสบความลําบากย่อมไม่ประสบความสงบใจ ภิกษุไม่พิจารณาเห็นแม้ประโยชน์ตนด้วยเพียงท่องบนพระพุทธวจนะย่อมเที่ยวชูคอสำคัญตัวว่าประเสริฐกว่าเขานรชนใดไม่ประเสริฐเป็นผ่านสำคัญตนว่าประเสริฐกว่าเขาเสมอเขาท่านผู้รู้ทั้งหลายย่อมไม่สรรเสริญ น, นรชนนั้นผู้มีใจกระด้างส่วนผู้ใดเป็นคนประเสริฐกว่าเขาแต่ไม่ถือตัวว่าประเสริฐกว่าเขา เสมอเขาหรือว่าเลวกว่าเขาไม่วันไว้ด้วยมานะสักอย่างหนึ่งในก้าอย่างท่านผู้รู้ทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นนั่นแหละว่ามีปัญญาคงที่เช่นนั้นตั้งมั่นดีในศีลทั้งหลายบำเพ็ญความสงบใจอยู่เนืองเนืองผู้ใดไม่มีความเคารพในเพื่อนพระมารยารทั้งหลายผู้นั้นย่อมห่างไกลาจากพระสัทธธรรมเหมือนฟ้ากับดิน ก็เหล่าภิกษุมีหิริและอดตะปะตั้งมั่นโดยชอบทุกเมือ่อมีพรหมจรรย์งอกงามย่อมเป็นผู้มีพบใหม่สิ้นแล้วภิกษุที่ยังมีจิตฟุ้งซ่านกลับกรอกถึงจะนุ่งห่มผ้าบางสกุลก็ย่อมไม่งดงามด้วยผ้าบางสกุลนั้นเหมือนวานอนที่คลุมด้วยหนังราชสีไม่งดงามส่วนภิกษุผู้มีจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่กลับกรอกมีปัญญารักษาตนรอด สำรวมอินทรีย์ย่อมงดงามด้วยผ้าบางสุกลุลเหมือนราชสีที่ซ่อภูเขาฉะนั้นอุบัติเทพมีฤทธิ์มีเกียรติยศมีจำนวนมากถึงหนึ่งหมื่นเหล่านี้และหมู่พรหมทั้งหมดนั้นพากันมายืนประนมมือนอบน้อมท่านพระธรรมเสนาบดีสาเรบุตรผู้เป็นปราชเข้าชานสมาบัติได้อย่างอุกฤษมีจิตตั้งมั่นพร้อมกับเปล่งวาจาว่า ข้าแต่ท่านผู้เป็นบุรุษอาชาในขอความนอบน้อมจงมีแด่ท่านข้าแต่ท่านผู้เป็นบุรุษสูงสุดขอความนอบน้อมจงมีแด่ท่านที่พวกเราไม่รู้ว่าท่านอาศัยอารมณ์ไรยเล่าถึงเข้าฌานอยู่น่าอาศัศจรรย์จริงหนอวิสัยเฉพาะตัวของท่านผู้รู้ทั้งหลายลึกซึ้งยิ่งนักพวกเราผู้สามารถที่จะรู้วิสัยแม้ที่ละเอียด ดุจนายขมังธนูผู้ยิงขนทรายได้มาประชุมกันแล้วก็ยังรู้ไม่ได้เพราะได้เห็นท่านพระสารีบุตรผู้ควรแก่การบูชาซึ่งหมู่เทวเทพบูชาแล้วอย่างนั้นในครั้งนั้นท่านพระกัปินะจึงได้มีความยิ้มแย้มทั่วพุทธานาเขตยกเว้นพระมหามุนีเสียเราได้เป็นผู้ประเสริฐในทุดงคคุณไม่มีใครเทียบเท่าเราเราปรนิบัติพระศาสดา ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปลงภาระที่หนักเสียได้แล้วถอนตัญหาที่นำไปสู่ภพได้ขาดแล้วพระโคโดมผู้ทรงพระคุณหาประมาณไม่ได้มีพระไทยน้อมไปในเนคขมมะสลัดออกจากภพสามไม่ทรงติดจีวรมินทบาทเสนาสนะเหมือนดอกบัวไร้มนถิ่นไม่ติดน้ำฉะนั้นพระองค์เป็นจอมปราด มีสติปัะทานเป็นพระสอมีศรัทธาเป็นพระหัตมีปัญญาเป็นพระเสียนทรงมีพระปีชามากทรงปฏิบัติดับกิเลสและกองทุกข์ได้ตลอดไปจตาลีสนิบาตจบบริบูรณ์รวมเรื่องพระเทระที่มีในนิบาทนี้คือหนึ่งพระมหากัสปะเทระรูปเดียวเท่านั้น และในจัตตารีสนิบาทมี40คาถาช น, น้แล่สิบเก้าปัญญาสนิบาท 1. ตาละปุตตะเทระคาถาภาษิตของพระตาละปุตตะเทระ พระตาละปุตตะเทระหวังจะจำแนกแสดงโยนิโสมนัสการโดยประการต่างๆจึงได้กล่าวสอนภิกษุทั้งหลายด้วยภาษิตเหล่านี้ว่าเมื่อไรหนอเราจะอยู่ผู้เดียวไม่มีตัญหาเป็นเพื่อนที่ซอกเขาเมื่อไรหนอเราจะพิจารณาเห็นแจ้งพบทั้งปวงโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงอยู่เมื่อไรหนอความดำริเช่นนี้นั้นของเราจะสาเร็จได้ เมื่อไรหนอเราจะได้เป็นมุนีนุ่งห่มผ้ากาสาวพัทที่ตัดด้วยศาสตราไม่ยึดมั่นไม่มีความหวังและราคะโทสะและโมหะได้แล้วเที่ยวไปในป่าใหญ่อยู่ได้อย่างสบายเมื่อไรหนอเราจึงจะเห็นแจ้งร่างกายนี้ซึ่งไม่เที่ยงเป็นรังแห่งความตายและเป็นรังแห่งโรคถูกมรณะและชราคอยรบกวนปราศจากความกลัว อาศัยอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวความตรึกเช่นนี้นั้นของเราจะสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราพึงจับดาบคมกริบคืออรียมัคที่สำเร็จด้วยปัญญาตัดเทาวันคือตัญหาที่ก่อให้เกิดภัยนำทุกมาให้เป็นเหตุให้หมุนวนเวียนไปตามอารมณ์มากอย่างความตรึกเช่นนี้นั้นของเราจะสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราจะได้ช่วยศาสตราที่สาเร็จด้วยปัญญา อันมีเดชานุภาพมากของท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายหากรานกิเลสมารพร้อมทั้งเสนามานโดยฉับพลันเหนือบันลังสีหาอาอัดความตรึกเช่นนี้นั้นของเราจะสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอสัปุรุษผู้มีความหนักแน่นในธรรมคงที่มีปกติเห็นตามความเป็นจริงชนะอินทรีแล้วจะพึงเห็นเราว่าบาเพ็ญเพียรในสมาคม ความตรึกเช่นนี้นั้นของเราจะสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอความเกลียดคร้านความหิวกระหายลมแดกหรือเหลือบยุงสัตว์เลื้อยคลานจะไม่เบียดเบียนเราที่ซอกภูเขานี้เป็นความประสงค์ส่วนตัวเราความตรึกเช่นนี้นั้นของเราจะสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราจึงจะได้เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นมีสติบรรลุอริยสัจสี่ที่เห็นได้แสนยาก ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงทราบแล้วด้วยพระปัญญาความตรึกเช่นนี้นั้นของเราจะสาเร็จเมื่อไรนอเมื่อไรนอเราจะมีความสงบระงับจากเครื่องเร่าร้อนในเพราะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะและธรรมารมที่เรายังไม่รู้เท่าทันพิจารณาเห็นได้ด้วยปัญญาความตรึกเช่นนี้นั้นของเราจะสาเร็จเมื่อไรนอ เมื่อไรหนอเราถูกว่ากล่าวติเตียนด้วยคําหยาบจะไม่เดือดร้อนใจเพราะคำหยาบนั้นเป็นเหตุถึงได้รับการสรรเสริญก็จะไม่ยินดีเพราะการสรรเสริญนั้นเป็นเหตุความตรึกเช่นนี้นั้นของเราจะสําเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราพึงเห็นสภาพภายในคือร์เบญจักขันของเราเหล่านี้รูปธรรมที่ยังไม่รู้และสภาพภายนอกคือท่อนไม้กอหญ้าและละดาวัน ว่าเป็นสภาพเสมอกันความตรึกเช่นนี้นั้นของเราจะสําเร็จเมื่อไรเนอเมื่อไรเนอน้ําฝนใหม่ตามฤดูกาลในเวลาใกล้รุ่งจะตกรถเราผู้ครองจีวรดําเนินไปในมักคาที่ท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ดําเนินไปอยู่ในป่าความตรึกเช่นนี้นั้นของเราจะสําเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราพึงได้ยินเสียงร้องของนกยูงที่ซอกเขาในป่า แล้วลุกขึ้นพิจารณาเพื่อบรรลุอมะตะธรรมความตรึกเช่นนี้นั้นของเราจะสำเร็จเมื่อไรหนาเมื่อไรหนาเราพึงข้ามพ้นแม่น้ำคงคายามุนาสุรศวดีที่ไหลไปถึงบาดานมีปากอ่าวใหญ่ทั้งหน้ากลัวไปได้ด้วยฤทธิ์ไม่ติดขัดความตรึกเช่นนี้นั้นของเราจะสำเร็จเมื่อไรหนาเมื่อไรหนาเราจะพึงงดเว้นนิมิตว่างามทั้งปวงเสียได้ ขนขวายในชาญแล้วทำลายความพอใจในการมาคุณทั้งหลายเหมือนช้างทำลายเสาตะลุงและโซ่เหล็กได้แล้วเที่ยวไปในสงครามความตรึกเช่นนี้นั้นของเราจะสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราจึงจะได้บรรลุคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้แล้วพอใจเหมือนลูกหนี้ผู้ขัดสนถูกเจ้านี่บีบบังคับสแสวงหาทรัพย์มาได้ก็พึงพอใจ ความตรึกเช่นนี้นั้นของเราจะสำเร็จเมื่อไรหนอจิตผู้เจริญท่านอ้อนวอนเรามาเป็นเวลาหลายปีว่าท่านไม่สมควรอยู่ครองเรือนเลยบัดนี้เรานั้นก็ได้บวชสมประสงแล้วเหตุฉไนันท่านจึงไม่ชักนำเสียเล่าจิตผู้เจริญท่านอ้อนวอนเรามาแล้วมิใช่หรือว่าฝูงนกยูงมีขนปีกแพรว และเสียงอึกกระทึกแห่งทานน้ำตกตามซอกเขาจะทำท่านผู้เข้าฌานอยู่ในป่าให้เพลิดเพลินเรายอมสละญาติมิตรอันเป็นที่รักในสกุลความยินดีในการเล่นและการมาคุณในโลกได้หมดแล้วเข้ามาถึงป่านี้ท่านช่งางไม่ยินดีกับเราเสียเลยนะจิตเราเมื่อพิจารณาเห็นว่าเพราะจิตนี้เป็นของเราเท่านั้นฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่ของผู้อื่น การร้องไห้รำพันจะมีประโยชน์อะไรในเวลาทำสงครามกับกิเลสมารจิตทั้งหมดนี้มีแต่วันไหวดังนี้จึงได้ออกบวชแสวงหาอมตะบทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเนื้อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นจอมเท้าสักกะเทวราชเป็นจอมสารถีฝึกนระได้ตรัสุภาษิตไว้ว่าจิตนี้กัดแกงเหมือนลิงทั้งห้ามได้แสนยาก เพราะไม่ปราศจากความกำหนัดเพราะเหล่าปุถุชนที่ยังไม่รู้เท่าทันพัวพันอยู่ในกรรมทั้งหลายที่งดงามมีรสหวานชวนให้รื่นรมย์ใจพวกเขาสแสวงหาพบใหม่ก่อแต่สิ่งที่ไร้ประโยชน์ถูกจิตทำให้เหินห่างจากสุขนำไปไว้ในนรกย่อมประสบทุกข์จิตเมื่อก่อนท่านแนะนำเราว่าท่านมีเสือเหลืองและเสือโคร่งพ้อมล้อมอยู่ในป่า ที่มีเสียงนกยูงและนกกระนร่ำร้องจงละความห่วงใหญ่ในร่างกายอย่าได้พลาดหวังเสียเลยจิตเมื่อก่อนท่านแนะนำเราว่าท่านจงเจริญฌานอินทรีย์ภะละโพชฌงค์และสมาธิภาวนาทั้งบรรลุวิชาสามในพระพุทธศาสนาให้ได้จิตเมื่อก่อนท่านแนะนำเราว่าท่านจงเจริญมรรคมีองค์แปดที่นำสัตว์ออกจากวัฏฏทุก์ อย่างถึงความสิ้นทุก์ทั้งมวลชําระล้างกิเลสได้หมดสิ้นเพื่อบรรลุนิพพานให้ได้จิตเมื่อก่อนท่านแนะนำเราว่าท่านจงพิจารณาเห็นเบญจขันธ์โดยอุบายที่แยบคายว่าเป็นทุกข์จงละเหตุให้เกิดทุกข์และจงทําความสิ้นทุกข์ในอัตภาพนี้แหละให้ได้จิตเมื่อก่อนท่านแนะนำเราว่าท่านจงพิจารณาเบญจขันธ์โดยอุบายที่แยบคายว่า ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ว่าว่างเปล่าไม่มีตัวตนและว่าต้องวิบัติไปเป็นผู้ฆ่าจงดับมโนวิจาร์ทางใจเสียให้ได้จิตเมื่อก่อนท่านแนะนำเราว่าท่านจงปลงผมและโกนหนวดแล้วเธอเพศสมณะมีรูปร่างแปลกถูกเขาสาบแช่งถือบาตเที่ยวพิษสาไปตามตระกูลทั้งหลายจงภาพเพียรในคำสอนของพระาศาสดา ผู้ทรงสแสวงหาคุณนั้นยิ่งใหญ่ให้ได้จิตเมื่อก่อนท่านแนะนำเราว่าท่านจงสำรวมระวังให้ดีเมื่อเที่ยวไปในระหว่างตรอกอย่ามีใจเกี่ยวข้องในตรกูลและการมารมทั้งหลายเที่ยวไปเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญที่ปราศจากเมฆฉะนั้นจิตเมื่อก่อนท่านแนะนำเราว่าท่านจงยินดีในทุดงคคุณทั้งห้าคือหนึ่งถือการอยู่ป่าเป็นวัด 2. ถือการเที่ยวบินทบาตเป็นวัด 3. ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดสถือการนุ่งข่มผ้าบางสกุลเป็นวัด 5. ถือการไม่นอนเป็นวัดทุกเมื่อให้ได้บุคคลบางคนต้องการผลไม้ปลูกไม้ผลไว้แล้วไม่ได้รับผลประสงค์จะค้นต้นไม้นั้นเสียชันใดจิตท่านทำเราที่ท่านชักนำให้วันไหวในความไม่เที่ยง ให้เป็นเหมือนบุคคลผู้ปลูกต้นไม้ฉันนั้นจิตที่ไม่มีรูปร่างไปได้ไกลทั้งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวบัดนี้เราจะไม่ทำตามคำของท่านเพราะการรมทั้งหลายล้วนแต่ก่อให้เกิดทุกข์ให้ผลเผ็ดร้อนมีภัยอย่างใหญ่หลวงเราจะประพฤติมุ่งมั่นอยู่เฉพาะนิพพานเราไม่ได้ออกบวชเพราะไม่มีบุญเพราะหมดความกระดากอายเพราะตกอยู่ภายใต้อานาจจิต เพราะทำผิดต่อชาติบ้านเมืองก็หรือเพราะเหตุแห่งอาชีพจิตก็ท่านได้รับรองกับเราไว้ว่าจะอยู่ในอำนาจเราไม่ใช่หรือจิตท่านแนะนำเราไว้คราวนั้นแหละว่าความเป็นผู้มักน้อยและการละความรบหลูลคุณท่านและความสงบทุกข์สัตว์บุรุษทั้งหลายสรรเสริญมาบัดนี้ท่านกลับประพฤติชเช่นเดิม เราไม่อาจากลับไปหาตันหาอาวิชชาความรักความชังรูปอันสวยงามสุขเวทนาและกามาคุณที่น่าชอบใจซึ่งคลายได้แล้วจิตเราได้ทำตามคำของท่านมาทุกภพทุกชาติทุกขติและทุกวิญญาณติติเราไม่ได้คุณเคืองท่านในหลายชาติเพราะความที่ท่านเป็นคนกระตันอยู่จึงเกิดมีอัตภาพนี้ขึ้นทั้งเราก็ได้เร่ร่อนไปในทุก ที่ท่านทำให้มาช้านานจิตท่านนั่นแหละทำให้เราเป็นพรามบ้างให้เป็นกษัตรบ้างเป็นพระราชาบ้างเพราะอำนาจแห่งท่านนั่นแหละบางคราวเราเป็นแพทย์บ้างเป็นสูตรบ้างเป็นเทพบ้างเพราะเหตุแห่งท่านเพราะอำนาจแห่งท่านมีท่านเป็นมูลเหตุบางคราวเราเป็นอสูรบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นสัตว์ยกรชานบ้างเป็นเปรตบ้าง ท่านประทุสร้ายเรามาแล้วบ่อยครั้งมิใช่หรือท่านแสดงน้ำใจเหมือนจะห้ามเราครู่เดียวท่านก็ล่อลวงเหมือนกับคนบ้าจิตเราได้ทำผิดอะไรต่อท่านไว้บ้างแต่ก่อนจิตนี้ได้ท่องเที่ยวไปตามอารมณ์ต่างๆตามความปรารถนาตามความต้องการตามความสบายวันนี้เราจะข่มจิตนั้นโดยอุบายอันแยบคายเหมือนควานช้างปราพยศช้างตกมัน พระศาสดาของเราทรงอย่างรู้โลกนี้โดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มีแก่นสารจิตเชิญท่านพาเราบายหน้าไปในศาสนาของพระชินเจ้าช่วยเราให้ข้ามโอคาใหญ่ที่ข้ามได้แสนยากจิตเรือนคืออัตภาพนี้ไม่เป็นของท่านเหมือนเมื่อก่อนเราไม่พึงกลับไปอยู่ในอำนาจท่านจะบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ธรรมาสมณะทั้งหลายไม่ประสบความเสียหายเหมือนเราภูเขามหาสมุทรแม่น้ําคงคาเป็นต้นแผ่นดินทิศใหญ่ทั้งสี่ทิศน้อยทั้งสี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างและพบทั้งสาล้วนเป็นสภาพไม่เที่ยงมีแต่ถูกเบียดเบียนอยู่เสมอจิตท่านไปที่ไหนเล่าจึงจะยินดีความสุขจิตเรามั่นคงแล้วท่านจะทําอะไรได้ เราไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อำนาจท่านคนไม่พึงแต่ต้องถุงหนังมีปากสองข้างหน้าตินักร่างกายที่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดต่างๆหลังของไม่สะอาดออกจากปากแผลทั้งเก้าท่านเข้าไปสู่เรือนคือถ้ำที่เงื้อเขาและยอดเขาที่สวยงามตามธรรมชาติซึ่งฝูงหมูป่าและฝูงกวางอาศัยอยู่และป่าที่ฝนตกรดใหม่ๆนั้นจะยินดีภาวนาณที่นั้น ฟูงนกยูงมีขนคอเขียวสวยงามมีงอนงามมีปีกงามทั้งปกคลุมด้วยขนปีกสวยงามส่งสำเนียงเสียงร้องก้องกังวานไพเราะจับใจนั้นจะช่วยท่านผู้บรรพชนอยู่ในป่าให้รื่นรมได้เมื่อฝนตกหญ้า ง, งอกยาวประมาณสนิ้วเมื่อป่าไม้ผลิดอกออกช่องามคล้ายก้อนเมฆเราเป็นเหมือนต้นไม้จะนอนบนยอดหญ้าในระหว่างภูเขา เครื่องลาดย่านั้นอ่อนนุ่มจะเป็นเหมือนที่นอนสำลีสำหรับเราเร า, เราได้ทำท่านไวในอำนาจให้ได้เหมือนคนผู้เป็นใหญ่จะพอใจด้วยปัจจัยตามที่ได้จะทำท่านไวในอำนาจให้ได้เหมือนคนไม่เกียรคร้านเหมือนกระสอบใส่แมวที่มัดไว้ดีแล้วเราจะทำท่านไวในอำนาจให้ได้เหมือนคนผู้เป็นใหญ่จะพอใจด้วยปัจจัยตามที่ได้ จะใช้ความพยายามนำท่านมาไว้ในอำนาจให้ได้เหมือนนายควานช้างผู้ชาญฉลาดใช้ขอสับช้างตกมันให้อยู่ในอำนาจตนเราพร้อมกับท่านผู้ฝึกฝนดีแล้วมั่นคงสามารถดำเนินไปถึงทางที่ปลอดโปรง่งซึ่งท่านผู้ตามรักษาจิตทั้งหลายได้ดำเนินไปแล้วทุกสมัยเหมือนนายสารถีผู้ฝึกมา้าสามารถดำเนินไปถึงภูมิภาคที่ปลอดภัยได้ ด้วยมาอาชาในที่มีใจซื่อตรงเราจะผูกท่านไว้ที่อารมณ์กรรมฐานด้วยกำลังภาวนาเหมือนนายควานช้างใช้เชือกที่เหนียวผูกช้างไว้ที่เสาตลงุงจิตที่เราคุ้มครองดีอบรมดีแล้วด้วยสติจะเป็นจิตอันตันหาในพบทั้งปวงอาศัยไม่ได้ท่านตัดเหตุเกิดคืออายตนะที่ล่นไปผิดทางด้วยปัญญาข่มมันเสียด้วยความเพียร ให้ตั้งมั่นอยู่ในทางถูกเห็นแจ้งทั้งความเกิดและความดับแล้วจะเป็นทายาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีวาทะอันเลิศจิตท่านชักนำเราให้เป็นไปตามอํานาจของความเข้าใจผิดสีอย่างเหมือนคนจูงเด็กชาวบ้านวิ่งวนไปฉะนั้นท่านน่าจะคบหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เพียรพร้อมด้วยพระมหากรุณาที่คุณผู้ตัดเครื่องผูกระสังโยชน์เสียได้ เป็นพระมหามุนีเมื่อรกชาติเข้าไปยังภูเขาอันน่ารื่นรมประกอบด้วยน้ำและดอกไม้เที่ยวไปในป่าอันงดงามอย่างเสรีจิตท่านก็จะรื่นรมในภูเขาที่ไม่เกลื่อนกลนด้วยผู้คนตามลำพังใจเมื่อท่านไม่ยินดีอยู่ที่ภูเขานั้นท่านก็จะต้องเสื่อมโดยไม่ต้องสงสัยจิตชายและหญิงเหล่าใดประพฤติตามความพอใจตามอานาจของท่าน จะสวยความสุขชายหญิงเหล่านั้นโง่เขลาประพฤติไปตามอำนาจมารเพลิดเพลินในพบน้อยพบใหญ่เป็นสาวกของท่านปัญญาสนิบาตจบบริบูรณ์รวมเรื่องพระเทระที่มีนินิบาทนี้คือพระตาละปุตตะเทระผู้บริสุทธิ์รูปเดียวและในปัญญาสนิบาทนี้มีห้าิห้าภาษิตชน้แล สัตทินิบาตหนึ่งมหาโมคคลาณะเถระคาถาภาสิทธของพระมหาโมคคลาณะเถระพระมหาโมคคลาณะเถระได้กล่าวสอนภิกษุทั้งหลายด้วยพาสิทธิเหล่านี้ว่าเราทั้งหลายถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือการเที่ยวบินบาตเป็นวัดพอใจอาหารในบา ท, ที่ได้มาด้วยการเที่ยวสแสวงหาเป็นผู้มีจิตมั่นคงด้วยดีภายใน จึงทำลายเสยนามัจุราชได้เราทั้งหลายถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือการเที่ยวบินธบาเป็นวัดพอใจอาหารในบาต ท, ที่ได้มาด้วยการเที่ยวสแสวงหาจะกําจัดเสนามะจุราชได้เหมือนช้างทําลายเรือนไม้ออกเราทั้งหลายถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดมีความเพียรต่อเนื่องพอใจในอาหารที่อยู่ในบาตด้วยการเที่ยวสแสวงหาได้มา เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นด้วยดีภายในพึงทำลายเสยนามะจุราชได้เราทั้งหลายถือการอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดมีความเพียรต่อเนื่องพอใจในอาหารที่อยู่ในบาต ด, ด้วยการเที่ยวสแสวงหาได้มาจะกำจัดเสนามะจุราชได้เหมือนช้างทำลายเรือนไม้อ้อพระเทระหวังจะสอนหญิงแพทย์สยาจึงเดียกล่าวภาษิตเหล่านี้ว่านาติ กระท่อมคือเรือนร่างสําเร็จด้วยโครงกระดูกฉาบทาด้วยเนื้อเรองรัดไปด้วยเส้นเอ็นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเธอยังมัวยึดถือเรือนร่างที่สัตว์อื่นหมายปองว่าเป็นของเราในร่างกายซึ่งเหมือนถุงเต็มด้วยคูดมีหนังหุ้มห่อไวของเธอผู้เปรีเหมือนนางปีศาจมีฝีที่อกมีช่องก้าช่องหลงของไม่สะอาดออกอยู่เป็นนิด เรือนร่างของเธอที่เนื่องมาแต่การปฏิบัติโดยชอบมีช่องเก้าช่องส่งกลิ่นเหม็นท่านผู้เห็นภายในสังสารวัตรย่อมเว้นเสียห่างไกลเหมือนคนรักความสะอาดเห็นคู่แล้วก็หลีกเสียห่างไกลหากชนพึงรู้ถึงเรือนร่างของเธอเหมือนที่ฉันรู้ก็จะพึงเว้นเสียห่างไกลเหมือนคนรักความสะอาดเห็นหลุมคู่ในฤดูฝนก็หลีกเสียห่างไกล ยิงแพทยยาเกิดความสลดใจจึงได้กล่าวตอบท่านด้วยพาษิทนี้ว่าข้าแต่ท่านสมณะผู้มีความเพียรมากเรื่องนี้เป็นจริงอย่างที่ท่านพูดแต่ผู้คนบางพวกยังจมอยู่ในร่างกายนี้เหมือนโคแก่จมอยู่ในปลักพระเทระกล่าวตอบยิงแพทยยาด้วยพาษิทธเหล่านี้ว่าผู้ใดประสงค์จะใช้ขมิ้นหรือแม้เครื่องย้อมอย่างอื่นยอมอากาศ การกระทําของผู้นั้นเป็นเหตุให้เกิดความลำบากใจเท่านั้นจิตของฉันนี้เสมอด้วยอากาศตั้งมั่นดีแล้วในอารมณ์ภายในเธอผู้มีความคิดเลวรามเธออย่ามาหวังคนอย่างฉันเหมือนตัวแมลงเมาชอบเล่นกองไฟพระเทระเมื่อจะกล่าวสอนภิกษุทั้งหลายจึงได้กล่าวพาษิทเหล่านี้ว่าเชิญท่านดูอัตภาพที่ผ้าและอาภรเป็นต้นทาให้วิจิต มีกายเป็นแผลมีกระดูกร้อยท่อนเป็นโครงร่างกระสับกระส่ายที่พวกคนเขลาดมริหวังกันส่วนมากซึ่งไม่มีความยั่งยืนตั้งมั่นเชิญท่านดูรูปที่สตรีใช้แก้วมณีและต่างหูทำให้วิจิตซึ่งมีหนังหุ้มกระดูกไว้ภายในงามพร้อมกับผ้าเท้าทั้งสองย้อมด้วยครั่งสดหน้าทาด้วยจุนก็สามารถทาคนเลาให้ลุ่มหลง แต่ไม่สามารถทําคนแสวงหาฝั่งคืนนิพานให้ลุ่มหลงได้ผมที่ตกแต่งให้เป็นลอนดังกระดานหมากรกุกตาทั้งสองที่หยอดด้วยยาหยอดตาก็สามารถทําคนเขลาให้ลุ่มหลงแต่ไม่สามารถทําคนที่สแสวงหาฝั่งคืนนิพานให้ลุ่มหลงได้กายที่มีสภาพเปื่อยเน่าเป็นธรรมดาซึ่งตกแต่งแล้วเหมือนกล่องยาหยอดตาใหม่ๆที่งดงามก็สามารถทําคนเขลาให้ลุ่มหลง แต่ไม่สามารถทำคนที่สแสวงหาฝั่งคืนนิพพานให้ลุ่มหลงได้ในพรานเนื้อดักบวงไว้เนื้อไม่มาติดบวงเราทั้งหลายฝูงเนื้อกินเหยื่อแล้วหลบหนีไปเมื่อในพรานกำลังคล่ําครวนอยู่เราทั้งหลายฝูงเนื้อกัดบวงของในพรานเนื้อขาดแล้วเนื้อไม่ติดบวงเรากินเหยื่อแล้วหลบหนีไปในเมื่อในพรานเนื้อกาลังเศร้าโศกอยู่ พระเทระปรารบการปรินิพานของพระสารีบุตรเทระจึงกล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าเวลานั้นก็เกิดเหตุหน่าสะพรึงกลัวขนพองสยองกล่าวเมื่อพระสารีบุตรผู้เพี่พร้อมด้วยอาการทุกอย่างนิพพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีสภาวะเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความสงบระ ง, งับไปแห่งสังขารเหล่านั้นได้โดยสิ้นเชิงเป็นความสุข ท่านผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหลายที่พิจารณาเห็นเบญจขันธ์โดยเป็นสภาวะแปรปรวนและโดยไม่ใช่ตัวตนย่อมรู้แจ้งได้อย่างสุขุมลุ่มลึกเหมือนนายขมังธนูใช้ลูกศรยิงปลายขนเนื้อทายอันหนึ่งท่านผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหลายที่พิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายโดยเป็นสภาวะแปรปรวนและโดยไม่ใช่ตัวตนรู้แจ้งได้อย่างละเอียด เหมือนนายขมังธนูใช้ลูกศรยิงปลายขนสายภิกษุผู้มีสติพยายามละกามราคะเหมือนคนพยายามใช้ศาสตราตัดเครื่องประหารที่ชื่อโอมัถะ h และเหมือนคนถูกไฟไหม้ศีรษะรีบดับไฟนั้นเสียภิกษุผู้มีสติพยายามละภวะราคะเหมือนคนพยายามใช้ศาสตราตัดเครื่องประหารที่ชื่อว่าโอมัต tha และเหมือนคนถูกไฟไหม้ศีรษะรีบดับไฟนั้นเราอันพระผู้มีพระภาคผู้อบรมพระองค์เองทรงไว้ซึ่งพระวรกายมีในภพสุดท้ายทรงเตือนแล้วได้ทำประสาทของนางวิสาขามิคารมาตาให้ไว้ด้วยปลายนิ้วเท้าบุคคลไม่พึงบรรลุนิพพานอันเป็นเหตุปลดเปลื้องกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้เพราะความเพียรย่อหย่อน ทั้งบรรลุไม่ได้ด้วยกำลังความเพียร น, นิดหน่อยภิกษุนี้ยังหนุ่มและเป็นคนประเสริฐชนะมารพร้อมทั้งเสนามารยังทรงร่างกายซึ่งมีในภพสุดท้ายอยู่ภิกษุผู้เป็นบุตรของพระพุทธองค์ซึ่งคงที่หาผู้เสมอเหมือนไม่ได้อยู่ที่ซอกเขาเข้าฌานเหมือนสายฟ้าแลบส่องลอดเข้าไปตามช่องภูเขาเวภาระและภูเขาปันทวะ ภิกษุผู้สงบงดเว้นจากการทำชั่วอยู่แต่ในเสนาสนะที่สงัดเป็นมุนีเป็นทายาิของพระพุทธองค์ผู้ประเสริฐอันท้ามหาพรหมพร้อมทั้งเทวดากราบไหว้พระเทระเมื่อจะอนุเคราะห์พราหมณมิชาทิฐิหลานชายพระสารีบุตรเทระจึงได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าพราหมณ์เชิญท่านไหว้พระมหากรสปะผู้สงบระงับงดเว้นจากการกระทำความชั่ว อยู่แต่ในเสนาสนะที่ส ง, งัดเป็นมูนีเป็นทายาทของพระพุทธองค์ผู้ประเสริฐอันหนึ่งในหมู่มนุษย์ผู้ใดเป็นพราหมณ์สืบเชื้อสายพราหม์ติดต่อกันมาทั้งหมดถึงร้อยชาติเพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงแม้จะพึงเป็นผู้เล่าเรียนมนต์จบไตรเพศการเรียนสำเร็จวิชาเป็นต้นนั้นของผู้นั้นย่อมมีค่าไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งบุญที่ได้ไหว้พระมหากระสปะนี้ ในเวลาเช้าภิกษุเช่นใดเข้าวิโมกขสมาบัตแปดทั้งอนุโลมและปฏิโลมออกจากสมาบัตนั้นแล้วจึงเที่ยวไปบิณฑบาตพรามท่านอย่าลุกรานภิกษุเช่นนั้นอย่าได้ทำลายตนเสียเลยเชิญทำใจให้เลื่อมใสในพระอรหันต์ผู้คงที่รีบประนมมือไหว้เสียศีสะของท่านอย่าได้แตกพระเถระเห็นพระโบธิละปฏิบัต จึงได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าพระโปธิละนี้ไม่เห็นพระสัทธรรมถูกสังสารวัตหุ้มห่อไว้เดินทางผิดซึ่งเป็นทางพศไม่ควรเดินพระโปธิละหมกมุ่นอยู่ในสังขารติดอยู่ในลาบสักระดังตัวนอนที่ติดคูดจึงเป็นคนเปล่าพระเทระเมื่อจะสรรเสริญท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าเชิญท่านดู ท่านพระสารีบุตรมีคุณน่าดูน่าชมหลุดพ้นได้ด้วยวิคัำพนะปะหานะและสมุชเชธะปะหานะทั้งสองส่วนมีจิตตั้งมั่นดีภายในผู้ปราศจากลูกศรคือราคะเป็นต้นสิ้นสังโยชน์บรรลุวิชาสามและมัจุเสียได้ควรแก่ทักษิณาเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของหมู่มนุษย์พระสารีบุตรเทระ เมื่อจะสันเสริญพระมหาโมคลานะเถระจึงได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าอุบัติเทพมีฤทธิ์มีเกียรติยศมีจำนวนมากถึงหนึ่งมื่นเหล่านี้และพรหมปโหุโรยขิตทั้งหมดก็พากันมายืนประนมมือนอบน้อมพระโมคลานะพร้อมกับกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นบุรุษอาชาในขอความนอบน้อมจงมีแด่ท่านข้าแต่ท่านผู้เป็นบุรุษสูงสุด ขอความนอบน้อมจงมีแด่ท่านท่านผู้นีรทุกข์ท่านสิ้นอาสวะแล้วเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาพระมหาโมคลานะผู้อันมนุษย์และเทวดาบูชาแล้วเกิดโดยอริยชาติครอบงำความตายเสียได้ไม่ติดอยู่ในสังขารเหมือนดอกบัวไม่ติดอยู่กับน้ำพระโมคลานะรู้แจ้งโลกได้ตั้งพันเพียงครูเดียว เหมือนท้าวมหาพรมเป็นผู้ชำนาญในคุณคือฤทธิ์ในจุติและอุบัติของเหล่าสัตว์ย่อมเห็นเทวดาทั้งหลายได้ด้วยทิพยะจักษุในการอันสมควรพระมหาโมคคลานะเมื่อจะประกาศคุณของตนเลือกกล่าวพาสิทธว่าพระสารีบุตรเท่านั้นเยี่ยมกว่าภิกษุผู้ทรงคุณธรรมชั้นสูงทั้งทางด้านปัญญาศีลและอุปสมะ พึงเนรมิตอัตภาพชั่วขณะเดียวได้ตั้งแสนโกรธเราเป็นผู้ฉลาดในวิธีแสดงฤทธิ์ต่างๆทั้งเป็นผู้ชำนาญด้วยฤทธิ์ภิกษุโมคลานะโคดพูดถึงความสำเร็จโดยความเป็นผู้ชำนาญในสมาธิและวิชาเป็นปราดมีอินทรีย์มั่นคงในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้อันตันหาอาศัยไม่ได้ได้ตัดเครื่องจองจาคือกิเลสเสียได้อย่างเด็ดขาด เหมือนช้างทำลายปลอกที่ทำด้วยเถาหัวด้วนให้ขาเสียเราได้ปรนิบัติพระศาสดาได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปลงภาระที่หนักเสียได้ถอนตันหาที่นำไปสู่พบได้ขาดแล้วเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงเราก็ได้บรรลุแล้วนรกที่ทุสิมาน ได้ทำร้ายพระวิทุระอัคารสาวกและพระกะกุสันธสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ไปหมกไหมยอยู่เป็นเช่นไรคือนรกที่มีขอเหล็กเป็นร้อยทั้งให้เกิดทุกเวทนาเฉพาะตนทั่วถึงหมดนรกที่ทุสิมานได้ทำร้ายพระวิทุระองค์อัคารสาวกและพระกะกุสันธะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ไปหมกไหมยอยู่เป็นเช่นนี้ ภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้กรรมและผลกรรมนี้ได้โดยประจักษ์แจ้งกันหะมานท่านทำร้ายภิกษุเช่นนั้นเข้าจะต้องได้รับทุกข์วิมานทั้งหลายที่อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรคงอยู่ได้ตลอดกับมีสีดังแก้วไพลทูลงดงามมีแสงไฟสว่างดุดกองไฟที่ลุกโพล่ทั้งพี่พร้อมด้วยรัศมีมีหมูนางอับซรจำนวนมาก มีผิวพันธ์ต่างกันฟ้อนรำอยู่ภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้วิมานนี้ได้โดยประจักษ์แจ้งกันหมานท่านทำร้ายภิกษุเช่นนั้นเข้าจะต้องได้รับทุกภิกษุใดแอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้ไปแล้วภิกษุสงเป็นอันมากก็เห็นอยู่ได้ทำปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาให้ไหวด้วยปลายนิ้วเท้า ภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้วิมานี้ได้โดยประจักษ์แจ้งกันหมานท่านทําร้ายภิกษุเช่นนั้นเข้าจะต้องได้รับทุกขภิกษุใดมีพลังฤทธิ์กล้าแข็งได้ทําเวชยันตบประสาทให้ไว้ด้วยปลายนิ้วเท้าทั้งทาเทพทั้งหลายให้สลดใจภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้วิมนีได้โดยประจักษ์แจ้งกันหามาน ท่านทำรายภิกษุเช่นนั้นเข้าจะต้องได้รับทุกข์ภิกษุนั้นใดไต้ถามเท้าสักกะเทวราช ท, ที่เวชยันต์ประสาทว่ามหาบพิษเท้าเธอทรงทราบ ว, วิมุตติซึ่งเป็นที่สิ้นตันหาบ้างไหมเท้าสักกะเทวราชถูกถามปัญหาได้ทรงพยากรณตามแนวเทศนาที่พระศาสดา ท, ทรงแสดงแล้วแก่ภิกษุนั้นพระมหาโมคลานะเทระ ได้พูดทักทายท้ามหาพรหมนั้นด้วยภาษิตเหล่านี้ว่าภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้วิมุตติเป็นที่สิ้นตัณหานี้ได้โดยประจักษ์แจ้งกันหามานท่านทําร้ายภิกษุเช่นนั้นเข้าจะต้องได้รับทุกข์ภิกษุใดยืนอยู่ที่สุธรรมสภาสอบถามท้ามหาพรหมว่าท่านผู้เจริญแม้วันนี้ท่านยังมีความเห็นอยู่อย่างเมื่อก่อน หรือท่านยังเห็นอยู่ว่ารัศมีของพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งสาวกผวยพุ่งรุ่งเรืองยิ่งนักครรนท้ามหาพรมถูกถามปัญหาแล้วได้พยากรณ์ตามแนวเทศนาที่พระาศาสดาทรงสแสดงแล้วแก่พิสษุนั้นว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้นิรทุตุข้าพเจ้าไม่ได้มีความเห็นอย่างเมื่อก่อนแล้วข้าพเจ้าเห็นว่ารัศมีของพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งสาวก เป็นไปล่วงเลยรัศมีในพรหมโลกวันนี้ข้าพระเจ้านั้นละทิ้งคำพูดของพระเจ้าผู้เห็นว่าเราเป็นผู้เที่ยงมีความยั่งยืนเสียได้พระมหาโมคลานะเถระได้พูดทักทายท้ามหาพรหมนั้นด้วยภาษิตเหล่านี้ว่าภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้ทิฐินี้ได้โดยประจักษ์แจ้งกันหามานท่านทาร้ายภิกษุเช่นนั้นเข้า จะต้องได้รับทุกข์ภิกษุใดแสดงยอดขุนเขาสิเนรุให้ชนชาวชมพูทวีปปุกพระวิเทห์ทวีปอมรโคยา น, นทวีปและชาวอุตรกุรุทวีปเห็นกันได้ด้วยวิโมกภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้วิโมกตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วนี้ได้โดยประจักษ์แจ้งการหมาน ท่านทำร้ายภิกษุเช่นนั้นเข้าจะต้องได้รับทุกข์ไฟไม่ได้ตั้งใจเลยว่าเราจะไม่คนผ่านแต่คนผ่านกระโดดเข้าไปหาไฟที่ลุกโพร่งให้ไหม้ตัวเองฉันใดมารท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันทำร้ายพระตถาคตและอริยสาวกนั้นแล้วก็จะเผาตนเองเหมือนคนพานถูกไฟไหม้มารทำร้ายพระตถาคตและอริยสาวกนั้น จึงได้ประสบสิ่งมิใช่บุญมารผู้ชั่วช้าหรือท่านเข้าใจว่าบาปไม่ให้ผลแก่เรามารผู้มุ่งแต่ความตายเมื่อท่านทำแต่บาปท่านก็ย่อมตายด้วยความทุกข์สิ้นกาลนานท่านอย่าได้รังเกียจสาวกของพระพุทธเจ้าและมุ่งทำร้ายภิกษุทั้งหลายเลยพระมหาโมกคลานะเถระได้คุกคามมารที่ป่าเพษกะลาวันดังนี้แล้วเพราะเหตุนั้น มานั้นเสียใจจึงได้หายไปณที่นั้นนั่นเองทราบว่าท่านพระมหาโมคลานะเถระได้กล่าวภาสิทธ์ทั้งหลายด้วยประการศ น, นี้แลสัตตินิบาศจบรวมเรื่องพระเถระที่มีในนิบาทนี้คือพระมหาโมคลานะเถระผู้มีฤทธิ์มากรูปเดียวเท่านั้นและในสัตตินิบาทนี้มี68ดพาสิทธ ชั้นนี้แหละ